เมื่อใครบางคนผ่านมากระทบหูกระทบตาแล้วคุณรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งก่อตัวขึ้นครอบงามใจก็อาจเกิดแรงดันแป ล, ก, ปลกให้นึกอยากพูดอะไรแป ล, ก, ปลกนึกอยากทำอะไรแป ล, ก, ปลกหรืออย่างน้อยที่สุดปฏิกิริยาทางความรู้สึกนึกคิดแตกต่างไปไม่เหมือนกับตอนอยู่กับคนอื่นนั่นแปล ว, ว่าเขาหรือเธอมีอิทธิพลทางใจกับคุณแน่ เหมาะจะเอาไว้ใช้เจริญสติยิ่งคุณสามารถอาศัยคนที่มีอิทธิพลทางใจเป็นตัวตั้งในการทำความเข้าใจตนเองเช่นพอเขาหรือเธอปรากฏตัวเข้าหูเข้าตาแล้วคุณรู้สึกคล้ายสติตะตางถูกสกัดกัน้นอย่าพยายามเรียกสภาพปกติกลับคืนมาเพราะอาการพยายามนั้นจะยิ่งทาให้ผิดปกติหนักขึ้น ขอเพียงยอมรับตามจริงว่าเกิดแรงกระทําบางอย่างจากภายนอกที่ทำให้คุณอยู่ในสภาพผิดปกติทางกายทางใจจะเป็นเกรงตื่นเต้นอึดอัดหรือกระสับกระส่ายอย่างไรก็แล้วแต่ขอให้นิยามอย่างชัดเจนบอกตัวเองสั้นๆว่าใจกำลังเป็นผุเพื่อจะได้มีทิศทางที่แน่ชัดในการสังเกต ให้มองแบบตั้งคำถามต่อใจตนเองว่าทุกเท่าเดิมได้นานแค่ไหนเพียงเห็นความไม่เท่าเดิมของทุกแม้เพียงการลดระดับการเต้นรัวของหัวใจในอกหรือเพียงการลดระดับความฟุ้งซ่านในหัวลงเหมือนผ่านป่ารกออกมาสู่ป่าโปร่งได้แค่นั้นก็ขอให้บอกตัวเองตามจริงว่าทุกไม่เกี้ยง ความสำคัญคือเมื่อรู้ว่าทุกไม่เที่ยงบ่อยเข้าพอจะต้องเป็นทุกเพราะอยู่ต่อหน้าใครอีกคุณจะไม่ถูกครอบงำสติด้วยการอยู่ต่อหน้าคนคนนั้นมากมายเหมือนเมื่อก่อนซึ่งก็เพราะมีจุดสังเกตเพื่อเรียกสตินั่นเองเมื่อสติดีขึ้นในสถานการณ์ผิดปกติจิตของคุณจะฉลาดขึ้น เป็นความสัมพันธ์ต่างๆระหว่างสิ่งรอบตัวสับใจตนเองกระจางขึ้นเห็นว่าแรงดันที่ให้เกิดราคะก็ดีเห็นว่าแรงดันที่ให้เกิดโทสะ ก, ก็ดีไม่ได้เกิดขึ้นเองลอยๆแต่ล้วนมีที่มาที่ไปและสำคัญกว่านั้นคือในที่สุดแล้วปฏิกิริยาทางใจทั้งหลายจะต้องแตกต่างไปเสมอ นาทีที่ใจเป็นสุขคุณจะไม่มีแก่ใจนึกถึงคนที่ทําให้ใจเป็นทุกข์นาทีที่ใจเป็นทุกข์คุณจะนึกถึงคนที่ทําให้เป็นสุขไม่ออกจุดสําคัญของชีวิตจึงควรเป็นว่าทําอย่างไรให้ใจเป็นสุขเกินกว่าจะมีแก่ใจนึกถึงบุคคลหรือเรื่องราวอันนำมาซึ่งความทุกข์ทั้งหลาย เมื่อใดเป็นทุกข์แนวทางอย่างง่ายแบบคุทคือให้ยอมรับกับตัวเองว่ากําลังเป็นทุกข์ที่ลมหายใจนี้อยู่เพียงรู้อยู่ว่ากําลังเป็นทุกข์ที่ลมหายใจนี้อยู่กับลมหายใจนี้ที่เป็นทุกข์ไปเรื่อยๆลมหายใจต่อลมหายใจไม่ต้องคิดอะไรอื่นจากนั้นหลายๆลมหายใจต่อมา คุณจะไม่อาจบอกตัวเองเหมือนเดิมว่ากำลังเป็นทุกข์อีกต่อไปเพราะเหลือแต่ลมหายใจนี้ที่ไม่มีทุกข์แล้วหรืออย่างน้อยทุกข์ที่ลมหายใจนี้ก็แตกต่างไปเบาบางลงกว่าทุกข์ที่ลมหายใจก่อนๆมากนี่เป็นความจริงง่ายๆแต่น่าอาัศจรรย์ใจและเหตุผลง่ายๆที่ทุกข์เบาบางลงก็เพราะ คุณเลิกติดใจกับเหตุแห่งทุกข์หันมาดูระดับความทุกข์ที่ไม่อาจรักษาตัวเองไว้รสชาติของการเห็นทุกข์ร้อนไม่เที่ยงคือสุขเย็นยิ่งได้ลิมรสประสบการเห็นทุกข์ร้อนไม่เที่ยงบ่อยขึ้นเท่าใดก็ยิ่งมีนาทีที่ใจสุขเย็นและเบิกบานบ่อยขึ้นเท่านั้น จนกระทั่งเหลือที่ยืนในใจให้คนในอดีตน้อยมากหรือกระทั่งไม่เหลืออีกเลยในเร็ววันร่างกายนี้ของจริงจิตใจนี้ก็ของจริงความรู้สึกนึกคิดนี้ก็ของจริงความต่างไปเรื่อยๆก็ของจริงตัวตนไม่เหมือนเดิมก็ของจริง เราทุกคนอยู่กับความจริงแปลกตรงที่ไม่มีใครมองความจริงและยิง่งยากที่จะให้ยอมรับความจริงจําเป็นต้องรอให้เกิดศาสนาแห่งความจริงเพื่อมาชี้ให้เห็นความจริงความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ยุ่งยากสิ่งที่ยุ่งยากคือใจที่ไม่ยอมรับความจริงคือใจที่อยากปิดบังความจริง คือใจที่รู้สึกแปลกแยกจากความจริงและคือใจที่ตั้งต้นเป็นศัตรูกับความจริงศา ส, สนาพุทธให้เริ่มฝึกใจกลมกลืนกับความจริงด้วยการไม่บิดเบือนความจริงไม่เสแสร้แรงแกล้งไม่รู้ความจริงพยายามทำอะไรอะไรให้ดีขึ้นในความจริงตลอดจนเห็นทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงเป็นความจริง เมื่อใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับความจริงในที่สุดจะไม่ถูกความจริงทําร้ายจะจะรู้สึกปลอดภัยไร้กังวลอยู่ในโลกความจริงเพราะแม้กระทั่งทุกข์หนักแค่ไหนก็รู้ว่าในความเป็นจริงทุกนั้นจะผ่านไปในไม่ช้าฝึกรู้สุขทุกเป็นเรื่องง่ายกว่าที่คิด หายใจเข้าออกครั้งไหนแล้วรู้สึกสบายก็ยอมรับว่าคลายเนื้อคลายตัวเป็นสุขหายใจเข้าออกครั้งไหนแล้วรู้สึกอึดอัดก็ยอมรับว่าเกรงเนื้อเกรงตัวเป็นทุกข์ฝึกแล้วยอมเห็นว่าทั้งสุขทั้งทุกข์ผลัดกันมาผลัดกันไปจริงๆไม่มีอะไรที่เที่ยงเลยสักอย่างแต่ทุกข์หนักก็มักทําให้อยากหายทุก และตราบใดยังมีความประวนประวายอยากหายทุกข์ตราบนั้นคุณได้ชื่อว่ายัางสร้างเหตุแห่งทุกข์เพิ่มไม่ใช่ลดเหตุแห่งทุกข์ลงการยอมรับผิดเป็นส่วนหนึ่งของการเจริญสติเป็นส่วนหนึ่งให้อุปาทานในอัตน้อยลงตอนได้หน้ากับตอนเสียหน้าอัตตาตัวตนปรากฏชัดที่สุด นั้นการยอมมองเข้ามาในใจตนณจุดเกิดเหตุใหได้หน้ากับเสียหน้าจึงเป็นการพิสูจน์ความเข้าใจว่าจเจริญสติจริงๆเขาดูอะไรกันกับทั้งเป็นการพิสูจน์ใจว่าใครจะยอมดูของจริงใครจะเอาแต่ดูของเทียมการทำให้สติเจริญหรือการจเจริญสติแบบพุดนั้น เป็นไปเพื่อทิ้งตัวตนอันเป็นทุกข์เมื่อไม่เข้าใจมุมมองนี้คนส่วนใหญ่จึงเพียนพยายามเจริญสติด้วยความคาดหวังว่าจะเป็นสุขหรือกระทั่งคิดจะมีหน้ามีตาจาัด ก, การสร้างภาพตัวตนที่สูงส่งกันให้ได้และเพราะอย่างนั้นนักเจริญสติมือสมัครเล่นจึงมักฝึกดูความสุขความทุกข์กันแบบขีิๆ ฝึกดูความฟุ้งซ่านและความโกรธกันแบบอ่อนๆทั้งที่เหล่านั้นล้วนเป็นกิเลสระดับลายแถวของอัตตาไม่ใช่กิเลสระดับโคตเง้าของอัตตาความก้าวหน้าก้าวหลังจึงเป็นไปแบบลุ่มๆดอนๆจับไม่มั่นชั้นไม่ตายไม่เห็นพัฒนาการที่ชัดเจนเสียทีพอเมื่อบอกตัวเองถูกว่า แม้ขณะได้หน้ารู้สึกว่าใบหน้าราเบ่งบานเท่ากระดง้งหัวใจพองมีกูใหญ่มีกูเด่นอยู่อย่างท่วมทน้นก็ต้องให้เกิดสติรู้ว่าหน้าบานก็เท่านั้นเดี๋ยวก็หุบและถึงมีกูเด่นมีกูใหญ่ไปก็เท่านั้นเดี๋ยวก็เล็กแปบลงทาไวในใจได้อย่างนั้นหละ อุปาทานหรือการนึกว่ามีอัตตาผู้ยิ่งใหญ่จึงค่อยๆคลา ย, ยลงจริงๆนอกจากนั้นต้องบอกตัวเองให้ถูกว่าขณะเสียหน้ารู้สึกราวกับหน้าหดเหลือสองนิ้วหัวใจแฟบมีกูอายมีกูจอยหรือกระทั่งมีกูหน้ามืดกูดิ้นรนเกิดอาการสติแตกอยากล้างอาย ด้วยการพูดเทียนทำเรื่องเทีย น, นก็ต้องให้เกิดสติรู้ว่าหน้าหดไปก็เท่านั้นเดี๋ยวก็บานรู้ว่าหน้ามืดไปก็เท่านั้นเดี๋ยวก็สว่านั่นแหละปุปาทานว่ามีอัตตาผู้ต้อยต่าจึงค่อยๆหายไปจริงๆถ้าเข้าใจปูกถ้าดูจริงอัตตาจะน้อยลง ถ้าเข้าใจผิดถ้าไม่ดูจริงอัตราจะเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้น